วันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราเป็นวันพระแล้วก็เป็นวันอุโบสถ ด, ด้วยเป็นวันพระแรม15ห้าค่ำเดือนส2องปี49เเป็นวันปฏิบัติธรรมร่วมกันไหว้พระ แล้วก็เป็นวันอุโบสถของพระด้วยวันนี้เป็นวันฟังพระปฏิโมกถ้าจะว่าไปแล้วเป็นวันสิ้นปีวันพรุ่งนี้เป็นวันปีใหม่เพราะว่าเป็นวันเดือนดับเดือนสิสองวันเพนเดือน12สองเป็นวันสิ้นปีของฤดูฝนท่นนี้ก็เลยลงมาอีกเป็นวันเดือนดับแปลว่าสิ้นเดือนต่อไปขยับขึ้นไปเป็นวันเพนเดือนหนึ่ง ปีห้าแต่ทีนี้ทางสุริยคติทั้งทางโลกเขาเขาก็นับอีกอย่างหนึ่งแต่นี่ที่พูดนี่ก็คือจันทรคติเป็นวันปฏิบัติธรรมพวกเราการปฏิบัติธรรมไม่เลือกว่าวันไหนวันไหนก็พร้อมที่จะปฏิบัติธรรมได้เพราะว่าความแก่ความเจ็บความตายของพวกเราไม่ได้เลือกว่า วันพระซะก่อนจึงค่อยตายวันเสาร์วันอาทิตย์วันที่เท่านั้นเท่านี้พราะนั้นการปฏิบัติธรรมของเราจะไปเลือกการสถานที่เว ล, เวลาก็คงจะไม่ทันกับเหตุการณ์ควรจะเตรียมพร้อมมาอยู่เสมอแต่ที่พวกเรามาปฏิบัติพร้อมกันนี่ก็คล้ายๆกั บ, บมารวมกันเป็นบางครั้งเพื่อจะให้เป็น พิธีหรือว่าศาสนพิธีขึ้นมาเพื่อการฝึกซ้อมเป็นการฝึกหัดเป็นการรวมกลุ่มให้เห็นการปฏิบัติธรรมของพวกเราแต่ตามไม่จริงพวกเราทุกท่านที่เป็นฝ่ายพระสงฆ์ที่อยู่ข้างในฝ่ายในก็เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วตั้งยืนเดินนั่งนอน เมื่อมีโอกาสพวกเราก็เล่งความภาคความเพียรของใครของเราตามความสามารถแต่บางท่านบางองค์อาจจะย่อหย่อนไปบ้างเป็นบางครั้งบางการอันนั้นก็คงจะมีอยู่บ้างแต่บางท่านก็มีความตั้งใจพยายามสร้างคุณงามความดีสั่งสมศีล ส, สมาธิปัญญาฝึกหัดดัดนิสัยของตัวเอง อยู่ตลอดแค่ค่วันดูตัวเองอยู่ตลอดทั้งยืนเดินนั่งนอนอันนี้แปลว่าผู้ไม่ประมาทถ้าว่าพวกเราทาได้อย่างนี้เรื่องวันเวลาเดือนปีเราทิ้งไว้ทางหลังว่างั้นแต่ถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นนานคอยต่มาปฏิบัติธรรมเฉพาะวันพระ เรื่อวันรวมกันหลวงพ่อว่าเราตั้งอยู่ในความประมาทเราตั้งอยู่ในความประมาทอย่างมากเพราะนั้นไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะทาให้สม่าเสมอทาให้ตลอดลอดฟังมาโดยตลอดอย่างที่ได้ ก, กล่าวเบื้องต้นว่าชีวิตของพวกเราไม่ใช่ว่าวันนั้นเดือนนี้ปีนั้น จะล่วงลับดับขันไปตายไปไม่ใช่อย่างนั้นพร้อมที่จะตายอยู่ทุกเวล่เวลาเงินคำทรัพย์สมบัติเราหายไปเรายังหาคืนได้แต่ชีวิตของพวกเราหายไปแล้วหายไปเลยขยับไปเรื่อยๆไม่มีที่จะได้คืนมาอีกเพราะนั้นชีวิตของพวกเรามีคุณค่ามากเพราะนั้นอย่าไปปล่อยให้ชีวิตของเราไหลไปโดยที่ไม่ได้ตักตวงอะไรเลย ไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยปล่อยปะละเลยเพราะว่าชีวิตของเราผ่านไปนาทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งอย่างนี้ขยับไปไเรื่อยๆไม่มีวันถอยหลังหมดไปจริงๆพนที่สุดก็ถึงจุดจบของชีวิตเพราะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะพูทธเจ้าเตือนแล้วเตือนอีกบอกแล้วบอกอีก ครูบาอาจารย์ผู้ท่านปฏิบัติเห็นภัยในวะัฏะสงสารท่านก็บอกแล้วบอกอีกทันว่าร่างกายสังขารการเป็นอยู่ของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นสถานที่อยู่เป็นสถานที่สนุกสุขสบายนาก่อนที่ครูบาอาจารย์บางองค์ที่หลวงพ่อระบุถึงชื่อของท่านอย่างหลวงปู่บัวอย่างนี้น ก่อนที่ท่านจะจากไปเกือบจะว่านาทีสุดท้ายท่านก็ได้สั่งไว้กับพระบอกว่าร่างกายสังขารเนี่ยมันไม่ใช่กองสวรรค์วิมานเนาะไม่ใช่กองสุกเนาะกองเพิงทั้งแท่งกองเพิงทั้งรุ่นกองเพิงอยู่ในกายของเราเนี่ยก่อนที่ร่างกายจะแตกสลายใจจะขาดนะั้นมีความทุกข์ที่สุดหนาะเผาร้อนที่สุดหนาะ อย่าตั้งอยู่ในความประมาทเน้อให้เตรียมพร้อมเอาไว้เน้อเมื่อยังมีความสุขสนุกสบายอยู่ยังหายใจเข้าออกยังเดินไปไหนมาไหนได้ยังมีความสุขอยู่อย่าตั้งอยู่ในความประมาทเน้อถึงขราวนี้เปลว่าทุกที่สุดเน้ออันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านได้พูดสั่งเสียคณะสิทธิ์หรือพวกเราท่านทั้งหลายแต่ หลวงพ่อเองหลวงพ่อว่าท่านพูกทุกที่สุดหลวงพ่อคิดขึ้นมาเวลาใดหลวงพ่อกคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นก่อนที่พวกเราใจจะขาดเนี่ยใจจะหนีออกจากร่างร่างกายจะหนีออกจากใจเนี่ยเป็นการที่ปั่นป่วนที่สุดเป็นการที่ทุกข์ที่สุดเพรวะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย ต้องคิดไว้อยู่เสมอว่าชีวิตนี้ไม่รู้จะจากไปไม่รู้ว่าเราจะจากร่างกายร่างกายจะจากเราเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทคิดไปอยู่เสมอว่าความตายจะต้องมาถึงเราแน่นอนไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ขู่ไม่ใช่บอกให้กลัวไม่ใช่ขู่ให้กลัว อันนี้พูดตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถึงจะนั่งคิดนอนคิดยืนคิดเดินคิดเราจะทํำยังไงคิดเวลาไหนก็ไม่เป็นอย่างอื่นมันลงจุดเดียวเท่านี้เกิดมาแล้วตายไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นจะเอาความตายมาขู่กันเป็นความคิดอย่างนั้นแปลว่าความโง่และความหลงของแต่และคน เท่านั้นเองแต่เรื่องตามความเป็นจริงแล้วเป็นจริงอย่างนั้นจริงๆพ ร, ระพุทธเจ้าพระหันสาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติรรมมาท่านก็สอนอย่างนั้นเราพิจารณาดูด้วยหลักเหตุผลที่ท่านสั่งสอนแล้วก็เป็นอย่างนั้นไม่มีทางอื่นเพราะนั้นให้เราเตรียมพร้อมไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาท คือใจของเราเนี่ยแหละเป็นตัวสำคัญพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บรรลุตัสรุธธรรมท่านได้สอนพระสาวกของพระองค์ความเป็นมาอย่างไรพระพุทธเจ้าบรมครูของพวกเราท่านก็เป็นมนุษย์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายแต่ถ้าว่าพวกเราพูดขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับท่านเป็นเทวบุตร เทวดาอินพรมไม่ใช่อย่างนั้นท่านเป็นมนุษย์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายแต่ว่าจิตใจของพระองค์นั้นแตกแตกต่างกว่าพวกเราเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียชื่อว่าเป็นพระพุทธะสยามภูรู้แจงโลกเป็นความรู้ความฉลาดเลิศล้ำกว่ามนุษย์ทั้งหลายเพราะนั้นมนุษย์ทั้งหลายไม่เคยคิดเลย ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนไม่ว่ายุคหลังยุคก่อนหน้านั้นไม่เคยคิดว่าจะปรับปรุงแก้ไขกายวารใจใจของเราอย่างไรที่จะไป ม, มาเกิดแก่เจ็บตายอันนี้พระพุทธเจ้าของเราประสูตรขึ้นมาแล้วท่านก็ได้สวยราชสมบัติ จนถึงอายุยี่สิบก้าปีท่านจึงได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความเกิดแก่เจ็บตายที่จะต้องมาถึงพระองค์เองและก็ไม่ใช่ถึงพระองค์เองคนเดียวด้วยผู้ที่ล้มหายตายจากไปก่อนหน้านี้ก็มากต่อมากเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงคิดึ้นเมาได้ว่าจะเอาอยัางไงจึงจะไม่มาเกิดแก่เจ็บตาย ในวัฏฏะสงสารนี้อีกอันนี้ก็คงจะเป็นพระบารมีของพระองค์แก่กล้าเคยได้บำเพ็ญมาแล้วอย่างสมบูรณ์ชาตินี้เป็นชาติทุดท้ายของพระองค์เพราะนั้นถ้าจะว่าไปก็เคยเข้าวัดเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างถ้าว่าท่านไม่มีบารมีมาก่อนพระองค์ก็คงจะคิดไม่ออกเหมือนกันอันนี้พระพุทธองค์ได้บำเพ็ญเรื่องบารมีมา พร้อมที่จะมาตัดสรู้เป็นพระพุทธเจา้าเพราะเหตุนั้นพระพุทธองค์จึงเลิศล้ำกว่ามนุษย์ทั้งหลายก่อนที่จะลงมาเกิดพระพุทธองค์ก็รู้ว่าจะมาเกิดณสถานที่ใดถิน่นใดเกิดมาแล้วจะได้เป็นอะไรอันนี้ก็เป็นบา ร, รมีของพระพุทธองค์เมื่อประสูติขึ้นมาได้ห้าวันพวกพราหมณ์ทั้งหลายก็ไปทํานายทายทัก พระพุทธบิดาพระเจ้าจุตโทธนะาก็เชิญพราหมณ์คัดเอาแล้วได้แปดคนออามาทำนายทายทักว่าสิทธะเนี่ยจะได้เป็นอะไรเหมือนกับลูกเกิดขึ้นมาแล้วก็คงจะมีโหนโหรลาศาสตร์มาดูพลิสาลักษณะอันนี้ขันเหล่านั้นก็มาดูบอลดูก็ทำนายทายทักเป็นสองคำ ก็คงจะเข้าตําราพราหมณ์ทั้งหมดถ้าว่าอยู่เป็นคราวาดก็จะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ปกครองแผ่นดินทั่วทุกหนและแหงทั่วโลกโดยที่ไม่ได้ใช้สัตราอาวุธแปลว่าไปที่ไหนทุกกษัตริย์ในโลกยอมสวาริพักยอมเคารพกราบไหว้เพราะกุณธรรมศีลธรรมบา ร, รมีของพระพุทธองค์ แต่ถ้าจะออกบวชก็จะเป็นภาษาสดาเป็นต้นศาสนาหนึ่งใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้คือพรามที่ทานายทายทักสรุปแล้วก็คือพระพุทธองค์ได้บำเพ็ญมาเต็มเปี่ยมแสดงออกทางร่างกายร่างกายกขเตรียมเปี่ยมไปด้วยปริศาลักษณะสมบูรณ์ถ้าอย่างทุกวันนี้คือว่าถ้าดูหัวเห้งก็หัวเห้งดีที่สุด เต็มเปี่ยมทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีที่ตําหนิในยุคสมัยนั้นเขาบอปุริศลักษณะร่างกายทุกส่วนเข้าตําราที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไอันนี้ก็พราหมณ์ท่านก็มาทํานายทายทักโดยเฉพาะอย่างยิ่งโกนทัญยพ า, ามณ์ท่านเน้นคือพราหมณ์หนุ่มกว่าเพื่อนทั้งหมดทํานายทายทัก คำเดียวสิท ธ, ธิฐานจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะต้องเป็นต้นาศาสนาต้นพระาศาสนาจะไม่ได้ครองฆราวาสถึงคราวแล้วจะได้ออกบวชแน่นอนอันนี้คือโกนธัญญพามทำนายทายทักคาเดียวจากนั้นพระพุทธองค์ก็จเจริญวัยขึ้นมาเรื่อยๆุบแล้วก็คือที่พูด ค, คือท่านเป็นมนุษย์ ท่านเป็นกษัตริย์ไม่ใช่เทวดาอินพรหมอย่างที่กล่าวอย่างที่พูดเบื้องต้นน่ะพระพุทธองค์เป็นมนุษย์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายแต่จิตใจของพระองค์พระไทยของพระองค์นั้นเปี่ยมเหลือมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายคิดไม่ออกแต่พระพุทธองค์คิดแตกต่างกว่ามนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านจึงได้สละพระองค์ออกไปบวชบําเพ็ญอยู่ในป่าถึงหกปี แล้วก็ได้ตัดสู้ ร, รมในการบำเพ็ญของพระองค์ก็นไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ว่าเราบำเพ็ญทุกอยากลาบากถ้าจะเปรียบเทียบกับพุทธองค์ประพฤติต่อพระองค์ในหปีนั้นคนละเรื่องกันเพราะพุทธองค์บำเพ็ญสลบสลายในตำรายทั้งหมดสลบสลายถึงสามครั้ง ตอนบำเพ็ญทุกขะกิริยาแล้วพวกเราเคยสลบอย่างนั้นบ้างไหมเคงจะไม่มีคงจะจะมีกับเวลานั่งภาวนาแล้วก็สับประกท่านเองสลบอว่างนั้นเอเ อ, อันนี้ไม่ใช่สลบนะมันสับประงกมันห่วงนอนแต่พระองค์นี่สลบสลบสลายทำให้าาฟื้นก็แปลว่ามรณะผาพระชินพระสน สวรรคตแต่นี้พระองค์บำเพ็ญถึงขนาดนั้นหละการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้าจากนั้นท่านก็ได้ตัดสรู้ธรรมตัดสรู้อะไรในคืนวันนั้นปุเพนิวาจตูปปาตายานอาสาวะคยายานในคืนวันนั้นจากนั้นพระองค์ก็เสเวยวิมุตติสุขอยู่ที่โคนต้นโพและกัที่สะบุตรจลินที่ต้นเกต ที่หลายๆแห่งในบริเวณนั้นผลที่สุดก็ล้ำลึกถึงปัญจวคีทั้งห้านี่ท่านก็เดินมาโปรดปัญจวคีทั้งห้าทีนี้น่าสนใจที่สุดตรงที่ว่าท่านโปรดปัญจวคีทั้งห้านั้นอ่ะท่านมาพูดเรื่องวัตรัสธรรมจักกัปวัตนสูตรให้ปัญจวคีทั้งห้าฟังที่ป่าอิสิปัตนะมิขทายวัน แขวงกรุงพารานสีพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นถึงทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ดับเป็นธรรมดาคล้ายว่าพระพุทธองค์ชี้ประเด็นให้เห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายสังขารทั้งหลายทั้งปวงที่มีเกิดขึ้นมามากน้อยอย่างไนขนาดไหน เกิดขึ้นมาแล้วต้องตายต้องแตกดับไม่เป็นอย่างอื่นตอนนี้พอพระพุทธองค์ตรัสเพียงคํานี้ออกมาอัญญาโกนธัญะพิจารณาตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาสรุปแล้วก็คือพระพธองค์ชี้ให้เห็นอนิจจังคือของไม่เที่ยง สิ่งไหนเป็นอันิจังสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้เห็นอันิจังพอเห็นอันิจังท่านก็ได้บรรุธรรมขั้นต้นคือพระโสดาบันเมื่อได้บรรทุธรรมแล้วก็พระพุทธองค์ก็รู้ว่าัญญาโกนระยะได้รู้ธรรมท่านว่าัญญาสิวัตโพคนทันโยัญญาสิวัตโพคณทันโย โกนธั ญ, ญะรู้ธรรมแล้วหนอเห็นธรรมแล้วหนอสรุปแล้วพระพุธองค์ก็พอพระไทยในการโปรดปัญจวัคคีย์และโปรดลูกศิษย์ของท่านไม่ใช่พระพุธองค์เห็นองค์เดียวแต่เนื้อรู้แจ้งธทำพระอัญญาโกณธัญะท่านก็รู้ด้วยอฮีัญญาโกณธั ญ, ญะเนี่ยวัปปะพัทธิยะมหานามะอจชิชีก็เป็นลูกพราหม ที่ทำนายถายทักพระพุทธเจ้าที่ว่าเนะี่ยที่โกงกบินภัตพราหมณ์โกนธัญพราหมณ์เนี่ยคือในพราหมณ์องค์หนึ่งใน8พราหมณ์นั้นแต่ว่าวภะพัตยะมหานามะอาจิชินะ่ยอันนั้นเป็นลูกของพราหมณ์ที่ทํานายถายทักโดยกันท่านมีอายุแล้วท่านกันมีลูกแล้วกัท่านก็สั่งเสียกับลูกเออลูกเอยถ้าเห็นสิท ธ, ธัะเขาเสด็จไปบวชนะ่ย ให้ลูกทั้งหลายติดตามไปเน้ในเมื่อติดตามไปแล้วท่านจะได้ตัดรู้ธรรมจะได้ฟังพระธรรมจากท่านพวกเราจะได้ปฏิบัติจะได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่ท่านได้ตัดรู้มองแล้วไม่เป็นอย่างอื่นถ้าศสีธะตาออกบทจะได้เป็นต้นาศาสดาเป็นต้นาศาสนาจากนั้นท่านเหล่านั้นก็บอกว่าพ่อเนี่ยคงจะไม่ได้เห็นพ่อเนี่ยคงจะจากไปก่อนคงจะตายไปก่อนผลให้ลูก ติดตามไปน้อนะอันนี้โกนธัญญพรามที่เป็นพรามหมณุกว่าเพื่อนพอสิทธัตถะเสด็จออกไปบวชอัญญากนธั ญ, ญพรามก็บอกเออถึงคราวแล้วสิทธัตถะออกไปบวชแล้วเอา้าพวกเราใครจะตามไปด้วยก็ไ ด, ได้ได้สมัครพักพวกได้ห้าองค์อย่างที่ว่านะ่โกนธัญญพรามเป็นหัวหน้าโกนธัญญวัปปะพัทธิยะมหานามัจชิชิเป็นว่าพราหมณ์ทั้งหองค์เนะี่ย เดินดุ่มตามพระพุทธองค์ไปก็คงจะตามถามนายฉันนะมั้ง น, นายฉนะก็คงจะบอกกล่าวให้แก่พวกวงศาคนาญาติว่าพระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ที่ไหนท่านไปที่ไหนอยู่ที่ไหนพวกพราหมณ์เหล่านะั้นก็คงจะตามดัดเลาะไปเจอไปพบพระพุทธองค์ที่บอาเพนอยู่แม่น้ําเนรัญชาจากนั้นก็ได้ดูแลปณิบัติ พอถือว่าเป็นเจ้านายส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นนักพรตนักบวชอีกส่วนหนึ่งก็ดูแลพระพุทธองค์ท่านก็ยังไม่ได้ตัดสูในสมัยนั้นก็ยังเป็นสิทธะบำเพ็ญอยู่แต่ว่าการบาเพ็ญก็อย่างที่ว่าท่านก็ลองผิดลองถูกจนถึงอดภักยาหารปัญจวคีทั้ง5้าก็ถือว่านี่สิทธะท่านอดภักยาหารเอาแน่คขาเนี่ยคงจะได้บรรลุธรรมละ คงจะตัดกิเลสภายในพระองค์หลงได้และข้านี่แต่พระพุทธองค์พิจารณาดูแล้วไม่ใช่หนทางการบําเพ็ญอย่างนี้แปว่าอัตต์กิลมัตฐานุโยกการบําเพ็ญให้ลำบากเปล่าให้ข้าวท่านบําเพ็ญไม่ได้ภาวนามิแตอ่อดเฉยเฉยอดภักยาหารเฉยเฉยท่านคงจะไม่ได้บาเพ็ญทางด้านจิตใจ ท่านให้ท่านก็กลับมาเสวยพระกายอาหารตามปกติเนี่ยทำให้ปัญจวคีตั้งห่าเสื่อมศรัทธาบาพระพุทธเจ้าคงไม่ได้สำเร็จอรอกขนาดโกนธัญญาเอาตำราพราหมณ์ออกมากลางแท้ๆก็ยังถอยศรัทธาได้เพราะงั้นเถอะเพราะเหตุไรเผลอๆอาจจะไม่เชื่อตำราของตัวเองอีกต่างหากตำราพราหมณ์คงจะพูดผิดซะแล้วกับมัง ัญญาโกนทัญยะก็คงจะคิดว่าอย่างนั้นอย่างพระสิทธัตถะไม่ได้สําเร็จเพราะนั้นัญญาโกณทันยะ ก, ก็เลยพาพรามณ์ทั้งหแยกออกไปอยู่ที่อื่นนี่ก็เป็นโอกาสดีที่พระพุทธเจ้าสิทธัตถะที่ท่านบําเพ็ญอยู่ท่านก็ตั้งอยู่ในความสงบไม่ได้เห็นภวะผวาวกับผู้ใดทั้งหมดพระโตองค์ก็คงจะพิจารณาแบบแน่วแน่ พระองก็ได้ตัดสรุปธรรมเมื่อท่านเหล่านั้นหนีออกไปแล้วเมื่อได้ตัดสรุปธรรมกันเนี่ยท่านก็ไม่ไปโปรดปัญจวคีรังห้าอย่างที่ว่าเนี่ยและก็น่าสนใจก็คือท่านโปรดปัญจวคีรังห้าเนี่ยก็คือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดาอันนี้สรุปเลยก็คือชี้ให้เห็นไตรลักษณ์อันในจังคือของไม่เที่ยง เพราะนั้นพวกเราท่านทางหลายจะภาวดาให้พยายามดูให้เห็นไตรลักษณ์เชื้ออเนจังร่างกายของเราตั้งแต่เกิดมาเป็นยังไงตัวเด็กๆ เ, เล็กๆต่อมาเป็นเด็กหนุ่มเป็นเด็กสาวจนถึงบันนี้ต่อไปเข้าเท่าแก่ชราผลที่สุดก็ดับอย่างที่ว่านั่นเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไม่เป็นอย่างนี้ในหลวพระอัญญากนระยะท่าน้เห็น ไรลักข่อแรกคืออนิจจังของไม่เทียงท่านก็ปล่อยวางในจิตใจของท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันองค์แรกในโลกบรรฑุธรรมองค์แรกในโลกจากนั้นพระโตองค์ก็บวช ด, ด้วยเอหิภิกขุโกนระยะรู้ธรรมและหนอเห็นธรรมและหนออัญญาโกนระยะก็ยอมรับแล้วก็ขอบวช ด, ด้วยความครบเดือมใสเพราะเป็นสาวกแหละเป็นที่ยอมรับจากนั้นก็กล่าว ขอบวชพระพุทธองค์ก็ว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วนะนนี้คือเมื่อพระอัญญาโกลทะยะได้รับอย่างนั้นท่านก็เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาองค์แรกในโลกจากนั้นวันลุ่งขึ้นอีกพระพุทธองค์ก็พยายามเทศสอนปกิณกะธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง4ี่องค์ ท่านเหล่านั้นก็ได้สำเร็จพระโสดาบันพร้อมกันทั้ง4องค์รวมแล้วเป็น5องค์เเมื่อได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันทั้ง5องค์แล้วพระพุทธองค์เทศอนัตตลกณสุให้เห็นอธิจังทุกขังอนัตตาร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราจิตใจขันห้าลูกเวทนาสัญญาสัางขารไม่ใช่ตัวตนของเรา ท่านในปฏิเสธปทผลที่สุดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงกัพเพธรรมายังเป็นอนัตต์ตายทมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนของเราผลที่สุดท่านทั้งห้าก็ได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์ในวันนั้นในเมื่อท่านได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็คงแยกย้ายกันไปประกาศพระศาสนา ไปคนละทิศ ท, ทางกันเปลว่าพระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วในโลกหกองค์จากนั้นท่านอัญญาโกณทันยะท่านก็ได้ตัดสรู้ได้บรรลุธรรมแล้วท่านก็ได้ออกไปจำพรรษาใกล้บ้านถิ่นฐานของท่านแล้วก็ได้เทศอบรมท่านก็ได้เป็นทายาทนะท่านได้เอาหลานของท่านพระมั น, นี ที่เป็นลูกน้องสาวของท่านบวชในพุทธศาสนาเป็นพระสาวกองหนึ่งที่มีชื่อเสียงในพระพุทธศาสนาหลานของท่านจากนั้นท่านก็ไปจำพรรษาอยู่ที่ป่าหิมพานต์อยู่สระน้าอยู่กับช้างผลที่สุดท่านก็จวนอายุสังขารของท่านก็ได้มากราบลาพระพุทธเจ้าตามพุท ธ, ธประเพณี สาวกประเพณีองค์ไหนที่พระพุทธเจ้ายังชงพระชนอยู่องค์ไหนจะปรินิพานพอที่จะมากราบลาพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องมากราบลาพระพุทธเจ้าก่อนปรินิพานพอมาถึงแล้วก็กราบข้าพระองค์ถึงการเวลาที่จะได้ทูลลาพระองค์ปรินิพานแล้วพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็ได้เออเอาไปตามการอันควรของท่านเถอะนะ ไปตามการอันควรอย่างใครครับว่คือแต่ละองค์ตามอัธยาศัยไปตามการอันควรพราะพระเถรองท่านบรรุธรรมแล้วท่านบอกพระสาวกของพระองค์บอกเป็นธรรมดาท่านเหล่านั้นก็เมื่อได้กราบลาพระพุทธองค์แล้วก็นะกลับไปอยู่สู่สถานที่ของตนจากนั้นก็วางขันปล่อยขันวางขัน ความบริสุทธิ์นั่นก็ออกจากร่างร่างนั้นกน็ลงไปนอนทับสมแผ่นดินต่อไปอันนี้ก็คือการพระหันที่ท่านดับขันปรินิพานนั้นง่ายเหมือนกับทิ้งภาชนะดินไปรับภาชนะทองคําอย่างนั้นนะไปเอาของที่เลิศกว่าที่น้องพลาฮเวปันจักขันธาขันทั้งห้าเป็นพระอันนักท่านวางขันท่านก็ปล่อยวางขันเข้าสู่ พระนิพานอันนี้ก็คือพระอัญญาโกนัญญะเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งพระพุทธองค์ให้ได้รับเอตตะ่าวาเป็นผู้รู้ราตีนานแปลว่าเป็นพระสาวกองค์แรกแล้วก็เป็นผู้มีอายุที่บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นสาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย ความเป็นมาของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นมาอย่างเนี้ยมีที่มามีที่ไปมีพระสาวกแต่ละท่านแต่ละองค์ออกบวชอย่างไรตัดสู้อะไรล้วนแล้วจะมีความเป็นมาเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะนั้นแล้วกันข้อดำเนินข้อปฏิบัติที่พระพุทธองค์ได้ตัดสู้ทมแล้วท่านก็เขียนแผนที่คือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ ให้พวกเราปฏิบัติตามเดินตามอย่างละเอียดถี่ถ้วนที่สุดถ้าว่าผู้ใดก็ตามอยู่เป็นครวาต์ควรทำตัวอย่างไรเมื่อเป็นนักบวชควรทำตัวอย่างไรอย่างนี้มีทุกขั้นตอนถ้าว่าพวกเราได้ศึกษาแล้วก็แนวความคิดควรจะคิดอย่างไรควรจะพูดอย่างไรควรจะทำอย่างไร เมื่อเราเป็นพระเมื่อเราเป็นฆราวาสญาติาโยมพระพุทธองค์ได้สอนไว้หมดในพระธรรม 84% ดหมพันพระธรรมมรรค h สิ่งที่จะเกิดให้เกิดสาระเกิดประโยชน์แต่พระพุทธองค์ท่านบอกว่าที่พระพุทธองค์สอนนี้เพียงใบไม้ในกำ ม, มือเท่านั้นเองสิ่งที่ พ, พุทธองค์รู้มากกว่านั้นแต่ไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาสอ น, น, นคือ เท่ากําไม้ในฝ่ามือเพียงเท่านี้แต่ขนาดนั้นก็จะพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมมขันถ้าจะว่าไปแล้วก็พวกเราฟังดูแล้วพระไตรปิฎกทั้งหลายเล่มทีเดียวแต่เราศึกษาดูแล้วล้วนแล้วแต่มีคุณค่าสาระประโยชน์เต็มเปี่ยมทุกขั้นตอนที่พระพุทธองค์สอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่ว่าไตรลักษณ์อริยสัจสติปัฏฐานสี่นี่แหละที่พระพุทธองค์ได้สอนเอาไว้มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างมากพวกเรานำมาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลที่หลักใหญ่ๆอย่างนี้ล้วนแล้วแต่เป็นนิยานิกรรมนนำผู้ประพฤติธปฏิบัติ ให้พ้นทุกในวัฏฏะสงสารไม่เป็นอย่างอื่นเป็นเข็มทิตชี้ทางเดินสู่มรรคผลผนิพพานตรงแน่วเลยเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านอย่าไปสงสัยในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่ให้พวกเราพยายามปรับปรุงเข็มทิศของเราคือใจของเราให้พยายามเดินตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้า บอกกล่าวแนะนำสั่งสอนพวกเราจะประสบแต่ความสุขบรมสุขแน่นอนไม่ต้องสงสัยแต่พวกเราเดินปีกแวะทางออกไปตามกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วพวกเราจะโดนแต่ขวากและหนามหาความสงบสุขหาความสงบพรมเย็นเป็นถูกทางจิตใจได้ยากแต่หังว่าพวกเราเดินตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าแนะนาสั่งสอนแล้ว พวกเราจะประสบแต่ความสุขความเย็นใจที่พระพุทธเจ้าสอนสอนยังไงสอนศีลสมาธิปัญญาหลักใหญ่ทั้งสามหลักเนี่ยเป็นหัวใจเป็นแผนที่ที่พระพุทองค์ได้สอนสิทธิ์ของพระองค์แต่ศีลอย่างนี้ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือกว้างขวาง การเป็นอยู่ควรทำตัวอย่างไรศีลของพระศีลอภิสมาจารศีลของโยมศีลห้าศีลอุโบสถอันนี้คือข้อห้ามศีลคือข้อและกฎและเบียบไม่ให้ทำความชั่ว เป็นข้อห้ามไม่ให้ทำในสิ่งที่จะหายนะนมาสู่ตนสมาธิห้ามลึกเข้ามาอีกคือให้ดูความคิดของตนเองถ้าว่าคิดไม่ถูกต้องคิดไม่ถูกทางการกระทำก็ไม่ถูกการพูดก็จะไม่ถูกแต่อันดับแรกเราจะมาพูดถึงสมาธิทีเดียวก็ไม่ได้ มันก็ต้องพูดเรื่องศีลซะก่อนเพราะว่าถ้าว่าจะมาสมาธิทีเดียวดูสมาธิทีเดียวศีลไม่ดูถ้าว่าคนทาความผิดอยู่บ่อยๆจิตใจมันก็จะปั่นป่วนมันจะเอาให้นิ่งได้ยังไงเพราะนั้นต้องระงับสิ่งหยาบซะก่อนกายวาจาซะก่อนให้อยู่ในระเบียบไม่ให้ผิดกฎระเบียบที่พระพุทธเจ้าแนะนาสั่งสอน ให้อยู่ในกฎระเบียบคืออยู่ในสินซะก่อนในเมื่อกายวาจาอยู่ในสินแล้วปิดประตูทั้งสองข้างเียคือไม่ให้ใจมันออกไปหาความชั่วช้าเสียหายคือไม่ออกไปทางการกระทำทางกายทางวาจาจากนั้นใจของเรามันก็จะได้มองตัวเองได้เเพราะมันปิดสองทางไว้แล้วทางกายกับทางวาจาจากนั้นใจก็มันก็อยู่ในตัวของเราเราคิดเรื่องอะไร เรากําหนดอันไหนเป็นกรรมฐานพกะพุทธเจ้าให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหรืออนุสติ10กระสินสิบอย่างนี้นก็คือให้ดูกายให้ดูใจตัวเองจากนั้นเมื่อดูใจตัวเองจิตเข้าสู่ความสงบเป็นพื้นฐานจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วไม่ให้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นให้พิจารณาทางด้านปัญญาอีกต่อไปให้พิจารณาพิจารณาอะไร พิจารณากายเกษาโลมานขาทันตาตะจูพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกในร่างกายของเราเนี่ยเป็นยังไงคือการพิจารณาก็คือให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเราเป็นจริงอย่างไรให้รู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นๆเมื่อเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วกิเลสราคะก็ดีกิเลสโทสะก็ดีกิเลโสเลโมหะก็ดี โลภโกรธหลงภายในจิตใจของเราเนี่ก็จะต้องขยาดและถอยออกไปไม่รู้จะโกรธไปทไําไหมร่างกายมันเป็นอยู่อย่างนี้มีแต่ดินน้ําลมไฟอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าจะโลภไปทไําไหมโลภมาเพื่ออะไรอันนี้เมื่อเราพิจารณาเห็นอย่างนั้นนี่แหละผู้ที่จะเดินพ้นทุกข์ในวัฏะสงสารนะต้องเห็นอย่างนี้ซะก่อนนะเจากนั้นก็เห็น กายตัวเองเสร็จแล้วก็เห็นใจเถะนี่มองเข้ามาหาตัวใจอีกทําไมใจของเราจึงไปหลงไปโลภไปโกรธไปหลงอย่างนั้นทีนีาา้ก็มองใจเข้ามาอีกมองใจก็ไม่มีมองที่ไหนเะนี่มันเห็นอยู่ในใจเะนี่มีแต่ความเกิดความดับความเศร้าหมองความผ่องใสมันอยู่ในจิตในใจความเมิดความสว่าง สิ่งคิดดีคิดชั่วมันมีอยู่ในนั้นอยู่ในใจของเราเนี่ยเราดูที่นี่ถ้าว่าเราไม่มีสมาธิเราจะดูไม่ได้นะถ้าเรามีสมาธิเนี่ยสมาธิของเราดีเราจะดูที่ใจของเราได้มันเคลื่อนไห ว, ไวแคว่งอย่างไรเราจะรู้ได้ด้วยตนเองนี่แหละที่นี่เราเดินเข้ามาหาจุดที่จะว่านี่แหละอัญญากณทัญญะ ที่ท่านได้บรรลุธรรมน่ท่านเดินเข้ามาจุดนี้แหละไม่ไปจุดอื่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับธรรมดาคือใจมันเกิดขึ้นมามันเกิดมันดับมันเกิดมันดับอยู่เนี่ยท่านก็ปล่อยวางจุดนี้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมจุดนี้ได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นท่านดูที่ใจไม่ใช่ดูที่อื่นเนี่ยพระพุทธองค์ที่ท่านได้สอนท่าน ญ, ญาโกณัญญ ท่านให้ดูที่ใจเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะการภาวนารักษาศินศินสมาธิและก็ปัญญาในนะ่ะปัญญาให้รู้เห็นร่างกายเมื่อเห็นร่างกายแล้วให้ดูเข้ามาใจถ้าว่าไม่ดูใจนะมันยังไม่ถึงจุดมนะันนะอย่าไปอย่าไปคิดเป็นอย่างอื่นก็แล้วกันต้องพยายามหันความคิดเข้ามาดูจิตใจของตนเอง ใจของเราคิดเรื่องอะไรในขณะที่นั่งสมาธิดูใจของเราเดี๋ยวนี้ขณะนี้เราคิดเรื่องอะไรเมื่อเราเห็นใจของเราแล้วก็ปล่อยวางปล่อยที่ใจวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจใเมื่อปล่อยวางแล้วก็นั้นแนหะความบริสุทธิ์หลุดพน้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ต้องหาที่ไหนอยู่ที่ใจของพวกเรานั่นแ่ะ ดูที่ใจแก้ที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจพระหันดูที่ใจกิเลสอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่เดียวกันความสกขปกันอยู่ที่นั่นเมื่อกำจัดสิ่งสุขปกออกไปแล้วความสะอาดใสบริสุทธิ์ก็อยู่ที่นั่นนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายการภาวนาและการปฏิบัติธรรมมีที่สิ้นสุด จบลงที่ใจไม่เป็นอย่างอื่นที่พระพุทธองค์สาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ประพฤติธปฏธิบัติมาตามแถวแนวนี้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายไปอยู่ณสถานที่ใดเวลาใดก็ให้พยายามดูกายดูใจดูใจดูกายดูกายดูใจถ้าเราดูกาย ของเราแล้วก็ให้ดูใจถ้าเมื่อดูใจของเรามันฟั่นเฟือคล้ายๆว่ามันไม่เอ hey, อันนั้นคือมากลับมาดูกายสรุปแล้วก็คือกายเนี่ยเป็นหินลับเป็นหินลับปัญญาให้ hey, ใครๆไปดูกายซะก่อนเมื่อดูกายแล้วก็มาดูใจเมื่อดูใจเขาแล้วมันเบร์เบร์กลับไปหากายดูกายเมื่อดูกายพิจารณากายแล้วมันต้องย้อนมาหาใจมึงไปหลงทาไหมไปหลงกาย มันได้อะไรมันเห็นอะไรมันรู้อะไรมันได้อะไรขึ้นมาขนาดกายของเราแท้ๆมีกระดูกทั้งนั้นทําไมมันไปหลงมันทําไมจากนั้นเมื่อเห็นตะกายเสร็จแล้วรู้ตามความเป็นจริงของกายแล้วต้องเข้ามาหาใจใจไปหลงทําไมนี่มันย้อนไปย้อนมาอย่างนพิธีการปฏิบัติผลที่สุดก็ถึงคราวที่เราจะปล่อยวางได้มันปล่อยวางที่ใจเท่นั้มันรู้แล้วไม่รู้จะยึดมั่นถือมั่นไปทําไม มันก็ปล่อยลงจุดนั้นนี่แหละอย่าปล่อยนั้นการปฏิบัติธรรมนะถึงจะพูดไปมากมายมหาศาลเหมือนกับเราทำไร่ทำนานทำลัว่วทำสวนทำอะไรทุกอย่างนั่นนะผลที่สุดก็เป็นคำข้าวข้อปากของเราเพื่อให้เราได้อยู่ได้ด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขอันนี้ก็เหมือนกันนะ่ะ ถึงเราจะบำเพ็ญทานศีลภาวนาอย่างไรก็เพื่อดูใจของเราเนี่ยแหละให้ปล่อยวางให้เห็นอันนังทุกขังอนัตตาอนัตตาเท่านั้นอ่ะที่จะทรมความรู้สึกนึกคิดของเราทุกสิ่งทุกอย่างมิใช่ตัวตนของเราน่นั่นะจุดนี้เป็นจุดที่ทำลายวัตวลวัตจักร ออกจา ก, กจิตใจของพวกเราอย่างอื่นมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าการไว้แล้วนะถึงยังไงให้พวกเราสมาธินะเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญานะั่นมันมาตามขั้นตอนอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นนะการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรขอยุติเพียงเแ่านี้เอาต่อ น, นี้ไปนั่งสมาธินทตตนีนะ